ปฏิบัติโหการเดินจงกรมและเจริญสติตอนนั่งและนอนอยาก ส่วนตอนนั่งและนอนเดินนั่งนอนแต่อยู่ที่ความต่อเนื่องของสติก้าว 1 6-7 จังหวะแต่ การเดินเร็วโดยนับจังหวะก้าวไปด้วยหรือบริกรรมไปด้วยอาจ เราควรฝึกสติสัมปชัญญะให้ไวให้ทันการเดินๆก็แล้วกันถ้า ก็จะเห็นมันกี่สิบกี่ร้อยจังหวะกันแน่เกิดดับต่อเนื่องกันทียิบ คือเดินถึงสติจะไม่เคลื่อนพราดไปสู่ทางจงกรมก็เหวี่ยงเท้าหมุนตัวกลับๆดังนั้นเดินไปสู่ แล้วก็มาหยุดรูรูปยืนสักหน่อยนึงพอตั้งมั่นไม่ ก็ให้ 14 กุมภาพันธ์ 2543